ในผู้ฟังในผู้พูดฟังธรรมก็คือฟังเรื่องของเรานี่เรื่องของเราก็มีกายมีใจงาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งเรืยนรู้กายอันกวงสอกเยาวานหาคืบเรียนให้จบ ถ้าเรียนที่นี่มันจบถ้าเรียนในโลกมันก็ไม่จบเรียนเรื่องกายเรื่องใจในี่จบเรียว่าสถาบันถ้า <c oughs> จบเรื่องกาย <c oughs> เรื่องใจจะถึงมรรคถึงผลเหมือการเกิดเจ็เจ็บตาย เนื้กเหนือสุกเหนื้อลูกถ้าเราไม่เรียนลูกก็ถูกโลกทักถมมในกายในใจนี่ศึกษาเข้าไปมีสติเข้าไปกลายเป็นตําลาใจเป็นตําราสติเป็นนักศึกษาบางอย่างก็เรียนลูก บางอย่างต้องทำไม่เป็นดูแล้วทำไม่เป็นบางโบราณท่านว่าไม่เรียนไม่มีลูกฉินัิเลียนกระเป๋าได้ อะไรจำไม่ได้ต้องมีเลียนมีลูกเดีย๋ยลูกเราทำให้เป็นเดยลูกว่ากายใจนี่เป็นเป็นลูกเป็นนามมันมีลูกลูกนามมันมีขันหน้ามีธาตุสีมีขันหน้าไปชุมกันเข้าเรียกว่ารูป นามแต่เรียกว่ากายว่าใจมันมันจนมันคับแคบถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันกว้างใหญ่ไพศาลมันแตกฉานรูปนามนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนแม่มันมีแปดหมื่นสี่พันอย่างในรูปในนามนี้มีกิเลสพันห้าตันหารยแปดเราก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนมันมีที่สุด ของโลกของนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรต่างๆที่เกิดอยู่ในบนรูปบนนามนี้<ม>เรียกว่าวัตถุอาการว<ม>ัต <c oughs> ถุคือตาหูจมูกเลิ้งกายใจรูปรสกลินเสียงอาการคือมันเกิดขึ้นได้ระหว่างวัตถุ ไฟนอกไฟในในตากับรูปหูกับเสียงมันมีอาการเกิดขึ้นถ้าวัตถุสองอย่างนี้สัมผัสกันก็ไปไกลถ้าเป็นอาการเกิดขึ้นถ้าไม่รู้ไปเป็นภพเป็นชาติเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นภกเป็นชาติเป็นเปรตเป็นชัลโลกเป็นนริฉาน เกิดพภูมิต่างๆได้ในอาการที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่มันอยู่บนลูกบนนามนี่มีมากในรูปในทางนี้มันมีอาการทำให้เกิดอะไรได้เกิดผีเกิดกลัวเกิดกล้าเกิดเกลียดเกิดโลภเกิดหลงได้หลายอย่าง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 ในเหมือนจัตว์เดรัฉานไปเป็นพูกภูมิต่างๆถ้ามีสติก็เห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้ น, นก็ได้ประโยชน์จากรูปจากนามนี่เช่นเห็ น, นไม่เข้าไปเป็น ถ้าไม่เห็นก็เป็นมันก็มีมีเป็นทางแปลง้จเป็นมันก็มืดมันตันทางมันตันทางมันชุดตรงทางมันไปถึงมันมีที่สุดเห็นทุกข์ทุกข์ก็ไปไม่ได้ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันโกรธเห็นมันหลง มันก็จบเรียกว่าได้ประโยชน์จากภาวะได้ประโยชน์จากอาการที่มันเกิดขึ้นระหว่างรูประหว่างนามเนี่ยจะต้องหัดทําให้เป็นรู้แล้วทําให้เป็นเวลามันหลงให้รู้เวลามันคิดให้รู้เวล า, ลวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสให้รู้ อย่าให้มันมีช่องว่างตรงนี้ถ้าไม่รู้มันก็มีสมมติบัรรยศน่าชอบว่าไม่ชอบบัญญัติเอาสมมติเอาในความชอบในความไม่ชอบว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ในสมมติก็เลยกลายเป็นภพเป็นชาติ เกิดดอบเกิดดอบเกิดจริงมิตรชาติอันเกิดจากอาการต่างๆด้วยภพชาติเป็นบัตตะสงสารเหมือนอยู่ในห้วงน้ำโอขค่ะขึ้นฝั่งเสือเห็นไม่เป็นใช่ไหมก็ขึ้นฝั่ง เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เราขึ้นฝ่องเห็นสุขให้เป็นผู้สุขขึ้นฝ่องไม่ต้องงุดต้องดมต้องโผต้องแแบบต้องไหวอยู่ในอาการต่างๆนี่ทำให้เป็ น, ปนแบกป้ายให้เป็นเห็นด้วยทัศนานุตริยะแบกไหวออกไปขึ้นพยายามขึ้นให้รู้อย่าไป ให้มันเป็นสมมุติเหตุผลอาการต่างๆจะไปไกลขึ้นซะเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นโกรธไม่เป็นผู้โกรธขึ้นฝังมันจะช้ำนาญได้ทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่ขึ้นฝังยังมุดอยู่ยังอยู่ในโอเคในห้วงน้ําในวัตตะ กรรมต่อไปเป็นกิเลสต่อไปเป็นวิบากต่อไปเรียกว่าวัตตะกิเลสกรรมวิบากมันตั้งต้นจากกรรมกรรมแล้วเกิดกิเลสกิเลสเกิดวิบากเราใช้อะไรมันก็ติดเรื่องนั่นใช่มันหลงก็ติดเรื่องหลงใช่มันโกรธก็ติดเรื่องโกรธใช่มันเลิกก็ติดเรื่องเลิกใช่มันกลัวเกิดเรื่องกลัว ใช่กล้าเกิดเรื่องกลา้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจึงหัดให้เป็นซะถ้าไม่หัดเป็นไม่เป็นน่ะโลกมันมีรสชาติความสุข ก, ก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติความโกรธก็มีรสชาติความรักความชังมีรสชาติแต่โลกต้องติดรสแบบนี้เราจึงมาอยู่เหนือโลกอันนี่ซะ ทวนกระแสทวนกระแสการเห็นไม่เป็นเนี่ยมันทวนกระแสถ้าไม่เห็ น, เ, หนเรียกว่าไม่เห็ น, เ, นเรียกว่าไม่มีโอกาสเียกว่าบัวใต้น้ำเป็ น, เ ป, นเป็นอาภรรพบุคคลเหมือนบัวใต้น้าบางชีวิตก็ไม่มีโอกาสเพราะไม่หัดไม่สนใจ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 มันมาเพื่อการนี้โดยตรงเกิดมาเพื่อการนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อแก่เจ็บตายไปเราจะต้องเป็นทุกขเป็นทุกขเพราะเรื่องโลกนี้ไม่ได้ให้มันอยู่เหนือโลกาะหัดทำมีสติมันเป็นทัวศึกษาล้วเป็นสูตรอยู่ในรูปในดานนี้นี่เป็นสูตรสูตรกาย สักว่ากายไม่ใช่สัตว์คนตัวตนโลเขาเขนเป็นสูตรไปแบบนี้มันจึงถูกสองห้าต้องเป็นสิบสองสิบก็เป็นยี่สิบใช่ไหมล่ะมาสูตรอย่างนี้ถ้าเป็นสามสิบสองเป็นสามสิบสองห้าเป็นร้อยมันก็ไม่ถูก อะไรที่มันเกิดจากกายมันจะกว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนโตตนเราเขามันถูกเนี่ยความผิดมันก็มีมมในในในรูปในกายเนี่ยแต่ความถูกก็มีแต่เราทําไม่เป็นเหมือนคณิตเหมือนกับคณิตศาสตร์เราไม่ได้เรียนถ้าเราเรียนเราก็เราก็ทําได้ <c oughs> <c oughs> ไม่จน <c oughs> ทาเป็นโดยทําเป็น จำเป็นแต่ทำไม่เป็นก็หมายเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้ยิของเรามันมีสูตรนี่กายชีวกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถูกต้องที่สุดแต่กายเป็นกูสุขเป็นกูทุกข์เป็นกูร้อนเป็นกูหนาวเป็นกูหิวเป็นกูปวดเป็นกูไม่ถูกต้องเลย เป็นภาระเป็นการบ้านต่อไ ป, ไปฉเฉลยไม่ได้เมือเ่อเฉลยไม่ไก็เป็นหนี้เป็นจําเลย<ป>ของกา ย, ยแนื่องจากกายมันจะบังคับถูกตัดฉินไปแล้วต้องแก่เป็นทุกเก็บเก็เป็นทุกเก็บเป็นทุ ก, ก, ทกตายเป็นทุก ตัดถินไปเลยถ้าไม่เฉลยตัวเนี่ยเหมือนพี่พาอสาสต ร, รุลาการเราเป็นจำเลยต้องแค่อแเอาตัวให้โลดอย่าเป็นถูกจองจำไปไมัดไม่มัดมือมัดศอกถุกจองจองจำติดคุกตลอลรอวันเจอวันเก็บวันตาอ เอามีทุกข์เป็นมาหน้าแท้ๆตกความทุกข์ย่ังเอาแท้ๆทำเช่นไหนล่ะการทำที่สุ่แต่งกองทุกข์จะปรากฏแก่เราเราจงมาเรียนตรงนี้กายสวรรค์กายไม่ใช่จัดปุคนตตนเราเขาเนี่ยแต่ไปเรียนที่ไหนก็เรียนที่นี่อาจารย์ใดประเทศใดศาสนาไหนมันคือกายคือใจเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหมด ปัญญาเขาอยู่ที่นี่เหมือนการบทปัญญาที่ได้จากกายจากใจเรียว่าความโรอบรุ่นในกองสังขารคือกายสังขารกิตตสังขาร น, นี่เขาเรียกว่าปัญญาไอ้แค่ปัญญาจบจากศาสตร์ต่างๆแต่เรื่องเป็นปัญญาอาชีพเอาไปใช้งานใช้การได้พระเจ้าวตไสมเป็นเจักว่าชาย จบมาตั้ง17ศาสตร์ยังไม่เป็นโปรตีเจ้าผมมาเรียนสูตรนี้ในวันเพ็ญเดือน6น่ยวันที่28เนี่ยจะมารอบอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองพันห้ารยหกสิบอะไก็ไม่รู้จะม่ได้ปีมาแล้ว <c oughs> แล้วก็มีโอกาสได้เกี่ยวข้องเร่งนี้การตัดจะลูกของพระเจ้าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเรานม่ใช่เราไม่รับรู้เป็นเรื่องของเราทำยังไงพระเจ้ายังได้ตัดจะลูกก็เอาสูตรเนี่ยเอาตัวอย่างเอาศาสตร์ชฎาเป็นทูเรียนตามพ่อก่อตามครูไปทำให้มันเป็นอย่างนี้น เป็นเรื่องของเราการตัดสะลูกขอพระเจ้าอย่าไปสละดสิทธิถ้าไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องของเราก็เกิดใจเจ็บตายในโลกนี้ขอเสนอตัวเราเราสักคนหนึ่งที่จะให้ทุกไม่เป็นทุกจะให้ความโกรธไม่เป็นความโกรธจะทําเรื่องนี้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้ว จำเลยตัดฉินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่อะไรคิดมาก็มีเี็บเจ็บตายในตัวเสร็จนีไมพ่พ้นอะไรคือมันจะเกิดเราอใช้ชีวิตอย่างไรให้ค่อยออกรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาณเป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เหรอกทำไมจะเป็นทุกข์เพราะตัวเองรูปจะเป็นต้องเป็นทุกข์หรอเวทนาต้องเป็นทุกข์หรอสัญญาต้องเป็นทุกข์หรือสังขารต้องเป็นทุกข์วิญญาณต้องเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้เหรอกไรประโยชน์ไม่ได้เหรอรูปมองไปทำประโยชน์เหมือนพุ่งแพร่ขี่ข้ามภากดีมันมีรูปจะได้ใช้มัน จะได้ใช้มันให้มันข้ามฝัง่งขี่ไปข้ามฝั่งบุญลานท่านว่าจิตเหมือนนายกายเหมือนแพร่กายเหมือนเหลือสติเหมือนถังเสือปัญญาเหมือนไม่พายปลายไปให้มันขึ้นฝัง่งมันก็มีมาให้เราใช้แท้ๆช้ให้มันขึ้นฝัง่ง ถ้าไม่มีรูปไม่มีนามมันก็ไม่มีอะไรใช่มันจึงมาให้เราใช่โดยตรงพ่อแม่เราอาจจะทําไม่ได้เดิ <c oughs> นพัลหลุดบางคนได้ทำไม่ได้เรานี่มาแล้วเนี่ยเรามาทำเรื่องนี้ดูะมาทำให้มันสมกับกําเนิดที่เกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ให้มันคุ้มอันเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เพื่ออื่นเลย ถ้วยใคุ้มค่าที่ได้ชีวิตมาเป็นเรื่องเดียวกันเลยแท้นั่นงอยู่นี่ทุกชีวิตในโลกนี้อันเดียวกันเนี่ยไม่น่าจะให้มีปัญหาอะไรต่างคนต่างศึกษาดูก็ไม่มีปัญหานี่แต่ปัญญาอยู่กันเป็นสงบร่มเย็นได้ต่างคนแต่มาดูแลตัวเรานะให้ดีๆเรียกว่าปฏิบัติธรรม ปาตรที่บาตรทำคือดูและกายใจให้มันดีปลอดภัยอย่าให้มันเกิดทุกข์เกิดโทษจะปล่อยทิ้งอย่างไรเราจึงมาดูอย่าปล่อยมันหมกุ้นคุณคิณดไปเห็นไหมเว е ลามันคิดไปเวลมันสุขเห็นไหมเว е ลามันทุกข์เห็นไหมที่มันทุกข์จากอะไรว่ายู่ต้องหน่อยเหตุมันมีไม่ใช่ไม่มีเหตุพระเจ้าสอนเร่องนี้เท่านั้น เหมือนพระสารีบุตรพบกับพระอาจารยคีพระอาจารคีเพิงบวชใหม่ส य, ए, ารีบบวชกาลังเสารงหาขัวจารย์เฮ้ดินจารย์คีเดินมปทบบาทเกิดชอบเอ๊ะสำเนาลูกนี้มาจากไหนเนาะทนรู้ทำอะไรทําไม่ท่านจึงสงบสี่ง่ยมต้องมีสิ่งที่ดีอยู่กับพระสำเนรลูกนี้ แล้วจะขอถามท่านดูขณะนั้นยังบินทบาตอยู่ไม่ควรจะไปถามขณะที่วินทบาตสาลิบทเลยค่อยๆตามไปพอวินทบาตคนหมู่บ้านคาเมก็ไปรับบาตรรับบาตรพระคุณเจ้าประสงค์ฉันที่ใดบอกข้าพระเจ้าด้วยจะจัดที่ให้ฉัน กไปได้ที่ฉันไม่มีบัตรไม่มีกติสมัยก่อนเห็นป่าเห็นดงอยู่ที่ไหนก็แวะเข้าไป ส, สาริวุฒเป็นมนุษย์เรียกว่าอุปติสสะโด้จัดที่ให้นั่งฉันฉันเสร็จแล้วสารีวุฒเข้าไปหาถามพระคนเจ้าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครท่านรู้ทำอะไรใครเป็นครูของท่าน อาชกี้ก็ตอบว่าสารบวชบอกให้พูดให้ฟังสักหน่อยแสดงทาแจงข้าพระเจ้าสักหน่อยอาชกี้ก็บอกว่าอาตมาพิงบวชใหม่ยังไม่แสดงอะไรได้เพิ่งศึกษาใหม่เอาได้ได้่น้อยก็ดีเฉพาะ น, น้อยไม่ต้องมาก อาชชีก <ersch> ็ตัดขึ้นว่าพื่อขึ้นว่าเยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุถาขโตโยสัญจะยุโลโทจะเอวังวาทิมหาสโนแมลว่าทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุและดับก็ดับที่เหตุพระศาสราของเราสอนอย่างนี้เรามาลู้เรื่องนี้ น่าเท่านี้สารีบุตรวงตาเห็นธรรมว่ามันเกิดแต่เหตุจริงๆจะกราบพระเจชิขอเป็นสำนักสรณาอันกเกษมอาจารย์ชบอกว่าอย่ามากราบข้าพเจ้าศาสตราของเราไม่อยู่ที่พุทธเจ้าไม่ไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นขู่อาจารย์ศาสตราของเราสาริบุต เอ า, าเดี๋ยวนี้พระศาสดาอยู่ที่ใดนู่น อ, อยู่เราจะคือนอนนตั้งแต่นั่นก็นสาหลือก็เลยแยกย้ายจะคิดตามหาพระเจ้าที่คุงรา ะ, ะคือไกที่ น, น้่นเลยจนได้บวชเนคณะสาวกใส่ขัวยืนอยู่นี่ ย, <laughs> ยืนอยู่นี่เรียกว่าสาวกเสยหนาพอดีไปชวนเมาออกันลานะเพื่อนกัน แต่ก่อนเป็นหนุ่มเจ้าสำารานเตือเที่ใดไปที่นั่นดีทีตีปู่เที่ยที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นลมที่ไหนไปที่นั่นอยู่แถวนารันธาเป็นลูกเศรษฐีอู่ข้าวปู่น้ำจนในสุดประวัติไปตั้งมหาวิทยาลันทาวัดใหญ่ที่สุดจนวัดนั่นมีพระมากในแคว้นนั้นรัฐบาล ไม่ให้เสียภาสีก่อนเลยให้บำรุงวัดวัดมันใหญ่บำรงุงพระสงฆ์ไม่เจ็บภาษีก่อนกีวรที่เป็นตาอยู่เนี่ยมาจากนาลันธานาของสาลีบุตเอาแบบขดากีวรที่ตัดเป็นกระดูกเป็นร่องน้ำนะ น้ำไหลบนคะันนาประเทศอินเดียเนยเขาไม่ขุดคลองเอาคันนาเป็นร่องน้ำไหลไปทั่วอ่าสารีบทก็เลยลาาครุปปัจฉ<อ>ิพราเรื่องนี่<อ>เหตุผลเทั อ, องน้นท <c oughs> ุกิงทุกเกินแต่เกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุตันเรดาได้เห็นว่ า, วาอาาัจฉินยที่ใด สารีวดจะนอนหันศีจษะไปทางนั้นจะสอบประวัติอยู่เสมอเวลานี้อาจจะคิดอยู่ทางทิศไหนก็อยู่ทางทิศเหนือสารีวดก็หันหัวไปทางทิศเหนืออยู่ทิศใต้ก็หันหัวไปทางทิศใต้เขาโลบมีเท่านี้มัมีเหตุเท่านี้มันหลงเพราะไม่รู้ก็เห็นหน่อยแล้วหลงเป็นหลงไม่ได้แก้ที่เหตุไปไปคุมที่ ผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเห็นด้วว่ามันทุกเห็นมันทุกด้วยว่าเห็นเห็นไม่เป็นทุกไม่เป็นผู้ทุกด้วยว่าปผลทุกเป็นผลเหตุมันหลงไหมมีสติเห็นก็ดับตบทุก ไม่ไปทุกดับหลงไม่หลงเปลี่ยนหลงไม่หลงเปลี่ยนทุกไปทุกถ้าทุกไม่เปลี่ยนถ้าหลงไม่เปลี่ยนโกรธไม่เปลี่ยนก็ไปไม่ได้ก็โสโซไม่แก้คุณแกไม่ไขไม่ได้หลุดหลุดออกไปตั้งแต่กายสวกระกายไม่ใช่ัดบุคคลตัวตนโราเขาเนย่าสูตรมันอยู่ตรงนี้แก่ตรงนี้เวทนาจักเวทนาเวทนาคือสุขกทุกข์ อย่าให้สุขเป็นสุขใจทุกข์เป็นทุกข์สักแต่ว่าสุขแต่ว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาใช้ใจตรงนี้สักหน่อยอย่าพึ่งหน้าบูดหน้าเบื้องอย่าไปเอายากของง่ายเพามันยากอุ้ยไม่ชอบไม่ใช่ถ้าง่ายเอ้ยดีดีไม่มีสติถ้าสติเห็นมันก็ไม่ไหวไม่ว่าไม่ดีไม่ไปดีๆ แต่ตีมันเห็นก็เห็นเท่านั้นเองอันเดียวไม่มีค่านี่มันง่ายๆอย่างนี้จึงปฏิบัติได้ทุกคนทุกชีวิตไม่ยากถ้าหลงเป็นหลงลู่เป็นลู่ถ้าหลงก็ไม่ชอบถ้าลู่ชอบถ้าสงบก็ชอบไม่สงบไม่ชอบไม่ใ ช, ไช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เห็นเหตุไม่ใช่เห็นเป็นมากจึงแกล้ตรงนี้ให้ได้ใจใจสักหน่อยอย่าพึงไปให้พอใจไม่พอใจอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาเกี่ยวข้องให้สัมผัสหลักปฏิบัติเนี่ยต้องสัมผัสไม่ใช่เหตุผลเหตุผลใครก็มี อย่างพระจิตตาเนี่ยนั่งอยู่แต่ต้นโพเคาอยู่ประสาสามลู่ทาไมเรามานั่งอยู่เนี่ยมันบ้าหรือมันอะไรกันนะไปอยู่ประสาสามลู่มาอยู่นี่ยุงมันกัดผลตกก็เปียกเราเป็นบ้าหรือเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหตุผลนะ่ะก็กลับไปบิดาพัฒเลยไม่อยู่แล้วแล้วเวลาเนี้เรามาเลยมาคิดเอาเหตุและผลเรามาทำมันสุกรู้มันมันทุกรู้มันเนี่ย เกี้ยวเขาตรงนี้ตั้งต้นอยู่ตรงนี้เอว์เว่า์ทวนก็เฉลยมันต้องทวนเชิงหน่อยอย่าให้สุกเป็นสุกเห็นมันฉุกทวนแล้วมันทุกเห็นมันทุกทวนแล้วมันเตียดมันไล่ก็ตามไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นก็ยง่ายง่มันจบง่ายง่ายแต่มันเป็นมันยากกว่าให้โกรธเป็นโกรธดมันก็ยากไกลๆแล้วเกิน ได้ขวามโกรธ<ก>เป็นไม่โกรธมันก็จ บ, จบลองสัมผัสลูกแบบไี่ลองดูสัมผัสลองรูไม่ใช่รู้ใครก็รู้ว่าโกรธไม่ดีทุกไม่ดีแต่ไม่หัดมันก็ยังโกรธอยู่รู้มันใช่ไม่ได้หัดให้มีสติจ้ววิธีหัดเราก็ง่ายอยู่แล้วอุ ป, ปกรณ์ครบท้วนเครื่องทุ่นแหลม <c oughs> เคลื่อนไหวมีสติตั้งไว้เรือกรร ม, มฐานกรร ม, มฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งตั้งไว้มันหลุดออกไปกลับ ม, มาตั้งไว้เหมือนแม่หัดลูกให้นั่งตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งไข่จากลูกนั่งตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งไข่พอลูกนั่งแล้วลูกนั่งได้หลายนานแล้วก็แม่ตบมจูบเพขยม ลูกก็สนุกป้าูกไปนั่งตั้งใครตั้งใครตั้งการบางทีลูกไม่คานเอาโบยยางออกไฟจุดคลินเตาบัวฝนหกไยแทงใช่ไหมฮะไอลูกค <laughs> านเอาโบยยางเอาไฟจุดคลินเตาบัวฝนหกไยแท่งนีเดินไปบางทีวางไว้แม่นั่งอยูย่ไอลูกกันเดินามามามา หัดนะทวนกระแสถ้าเราไม่หั ด, air, นะ อ, ดอ่อนแออ่อนแอเรียกว่ากรรมมจุขานกาิกายโยกไปไม่ถึงมรรคผลไม่มีสองอย่างกรรมมจุขานกากาากิการโยกอัฏฐกิริฏฐานโยกกรรมมจุขานิกายโยกคลลยื่อนไหลมันโกรธโกรธไปเลยอ่อนแอไปให้ความโกรธเป็นความโกรธ ให้ความทุกข์เป็นความทุกข์อ่อนแอไปเลยกามคืออ่อนแอไหวไปตามอัฐายจ้มสาโยกตึงเครียดมันผิดไม่ชอบมันถูกชอบอัถะมันมันเอาผิดเอาถูกอยากงั้มันสงบมันฟุ่งส้านมันนี่ฟุ่งซ้านหน้าดำคาเขียด แต่วันไหนไม่พงสานยิ้มแย้มแจ่มใจไม่ใช่อันนั้นเราอัถฐกิวถาโยกเป็นไปตามอาการต่างๆใช่ไม่ได้เป็นทางไม่ถูกทิศถูกทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นกลางเป็นมรคเคเห็นเนี่ยมันยากไปเนี่ยไม่ได้เดินจะก้าละมะั้งอ่ะไม่ไปท่องหนังสือไม่ต้องไปท่องหนังสือนั่งยิ้มย้มหัวโรามันก็ได้มันโุกเห็นมันโุกเนี่ย ไม่ที่สุดเลยมันทุกเห็นมันทุกมันหลงเห็นมันหลงเนี่ยนอนอยู่ก็รู้ได้นั่งอยู่เดินอยู่อะไรก็ได้ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะ่ะถ้าทําถูกแล้ว น, ะนั่งอยู่เดนอยู่เวลามันหลงก็ไม่ดูนไอ้ที่วันเดินอยู่นะู่นสร้างจากบวกมันหลงได้ทุกโอกาสแล้วเราไม่หัดมัน ตรหงัดบางก็แล้วรู้ท่าโอกาสพลังง้นไม่ใช่ใชจะมานั่งไม่ทาไม่หยุดไม่หย่อนไม่ใช่คอยดูมันดีๆเนี่ยว่าแต่เรามีสติเป็นเจ้าของตั้งม่ก่อนหายใจก็รู้ได้เนี่นะความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรจับมาใช้ได้ทุกอย่างกายนี่เป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างดี เลยอยางไอ้เกี่ยวกับกายหายใชก็เป็นกายเดินก็เป็นกายตายเห็นลูกก็เป็นกายหู ย, ยินเสียงก็เป็นกายให้มันโลกให้มันรูไ้ไนะให้ใช่เถอะใช้ความรู้สึกตัวเน่อย่าไปไม่ใช่แต่ใช่ยิ่งมากโบราณตรานารักยาวให้บันรักสั้นให้โต โตวไว้ก็เสดมันจะสั้นความหลงจะสั้นลงนักยาวก็ให้บัน่นบั่นตัวลงให้สติบรรยายนักสั้นให้โตโตวความรู้ไว้ให้ความหลงมันสั้นลงให้ความทุกข์มันสั้นลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้อย่าไปอ้างว่าแกว่าหนุ่มอ้างว่านักปวดไม่ใช่ เอาว่าเป็นครวาเป็นชายไม่เกี่ยวกับแก่กับหนุ่มไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยมันอยู่กับการกระทำของเราเนี่ยเองใครก็หลงเป็นใครก็โกรธเป็นทุกเป็นความโกรธไม่อยู่คงแก่คนหนุ่มกิเลสตัณหาไม่อยู่คงแก่คนหนุ่มอยู่กับทุกชีวิตอันมีรูปมีนามนี่ เ, งงเราปฏิเสธจะไงแล้วเราปฏิเสธแล้วนี่ก็เท่ากับปฏิเสธตัวเอง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 มีอยู่เพร่อสมก็เป็นตัวเป็นตนอยู่มีคําสอนก็มีอยู่สติก็มีอยู่เดี๋ยวนี้แม่มีอยู่กับพุทธเจ้าทั้งหลายพันปีมาแล้วก็อยู่กับเราอันเดียวกันแท้แทนะ่ะไม่ใช่คนละอยา่างคนละพันอันเดียวถ้าสติคือรู้สึกเราจะได้อันเดียวมารู้สึกก่อนพูดก่อนทําก่อนยิบเนาอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยการพูดการทําการยิบก็มีรูปมีนามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ใช่พูดผีปีศาจนีมันมีมีที่เกิดมีที่ดับมีเหตุมีผลอยู่มีเหตุมีปัจจัยอยู่มันต้องทำได้แน่นอนจึงพยายามที่จะพยายามที่ชักชวนให้มีสถานที่แบบนี้มาฝึกหัดมันช่วยกันมาได้ไม่แต่เป็นเพื่อนกัน ไม่ต้องเรียกว่าครูว่าอาจารย์ครีว่าเพื่อนมิตรกันญาณมิตรสังหายนี่อย่าไปกลัวเป็นเพื่อนกันแท้ๆเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนกันเราทำไงฉุก้วยกันทุกด้ดยกันตต อ, อยู่กันได้ยไยมสี่สิบวันเนี่ยวันที่ยี่สิบน เดี๋ไปเอา40วันนู้นเอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ไปกูบอกหนูออชีวิตวันล่ะรอ40วันยังจะเอายังไงทุกวันชีวิตของเราเอาทุกวันเลยรู้ทุกวันไปให้มันมีสติไปจะไปต่อรองอะไรกำหนดผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้จะซับเข้าไปรู้เข้าไป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 ทำไรทํานาก็ชํานาญแล้วนั่งอยบ้านก็เห็นแล้วเห็นหนาแล้วตอนนี้จะไปปิดหน้าตรงนั้นเดินผ่านไปรู้แล้วว่าหน้ามันรั่วตรงไหนไปดูบางแปลงมันหน้า ม, มันล้นขึ้นมาเต็มขึ้นมาต้องรั่วจากตรงนั้นไปดูมันก็เห็นจุ ด, ดอน่นเราก็รู้ที่นาของเราชํานาญที่นาของเรา ทำนาได้สำเร็จปลูกข้าวได้สำเร็จได้ผลสำเร็จในที่กายที่ใจของเราเนี่ก็มีเหมือนเหมือนกันนาศรัทธาเหมือนนาศรัทธาเหมือนนาห่วมเพียรที่ใส่ใจให้ด้วยเสมอเหมือนน่ามผลถ้านามีน่ามผ ล, ผลก็มีโอกาสคาดไถปลูกได้ สติก็ปลูกลไปที่เนื้อนาที่ไม่น้ำผลมีความเพียรมีจิตตาไม่โทอโทษสมาธิก็คือคาดไถเปลี่ยนรายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่ว่าสมาธิให้มันเฉพาะเรื่องอย่าปล่อยทิ้งตรงไหนที่มันไม่เหมาะก็เปลี่ยนให้มันดีอย่าพัะ ล, ลุงพหลังบางทีทำความเพียรเนี่ย หมกปุ้นคณคิดเอายากเอาง่ายโทรลองมันใช่มันยังลุกหลงหลังอยู่เปลี่ยนใะมันรู้ใะ่จะมีปัญญาเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้หรือว่าปัญญาไปในตัวเสร็จมันจะยากอะไรมันจึงพระเจ้าจึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ต่โกนอยู่ไม่จำกัดการ เขาทำแน่ผู้ปฏิบัติก็รูรร้ได้ตัวนนเองเราหลงก็รู้เองเราไม่หลงก็รู้เองเปลี่ยนหลงเป็นรู้ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้เฉพาะตนชวนให้มาดูมาดูมาดูชวนให้มาดูาดาดว น, วนกล่าวกับผู้อื่นว่าน้อมมาใส่เราดูสิเวลามันหลงน้อมรู้ไปใส่น้อมมาใส่ตัว ว่าอะไร ท, ทุกเข้าท้องเข็นเคยทำตามที่เราว่าไหมหรือว่าเป็นภาษานกแก้วนกขุนทองไปมันก็ไม่มีค่าอะไรก่อนที่เราจะว่าออกมาจากปากมาเกิดจากใจเราเนี่ยจิตใจใจตามออกไปเหมือนเกับสมัยก่อนอะฟังเทศผู้เจ้ามันซึมซับก็ไปแล้วจึงว่าพุทธังสรนังขจามิ ตา ม, มังสนังคัจจามิสองครังสรนังคัจจามิมัจะมาจากใจก่อนใจสมบัติแล้วจึงอุทานออกมาเป็นภาษาพูดได้เป็นภาษาลูกแก้วว่าตามเขาแปบอกให้ว่าพุดโทพูดโทไปใจไม่ได้ว่าพุดโธเลยไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานอัหังอัหังไปถึงก็ตายบอกให้อันหังเขาว่าอัหังอัหัง หาแต่บอกหอยพอลูกบอกว่าแม่แม okay, ่มาหลังอ mm ัน hmm. ห right, right, right ังแม่ไปหาแต่หอยอะไหอยอะไหอยตายอะไรอย่างนี้จมันไม่เคยเพไม่ฝึกขัดถ้าไม่ฝึกขัดมันไม่เป็นน่ะมันว่าอะไรน่ะเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำแท้ๆเรามาอยู่เนี่อย่าไปทําวันเดิน จะกินอะไรจะนอนอยังไงไม่ต้องกลัวหรอกโศตายเลยพวกเราเนาะจ้โนดจะวาดของไม่ปล่อยแต่แตปีนี้เจะาโนดบอกว่าจะเข้ากรรมาฐานไม่ทําอะไรต้องงบให้คนเด่นทําเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ทุกชีวิตช่วยกันอยากมีสาสมัครทํางานทางลงทานทํางานทางสำนักงานบ้างพระศพไปช่วยกันบ้างจะให้แต่ผู้หญิง ให้ผู้หญิงเขามีโอกาสปฏิบัติธรรมบ้างอย่าไปใช้ใครเป็นผู้หลบกใช่เราให้เราหลอกใช่เขาบ้างก็ดีแย่ว่ดเสนอตัวเราเหมือนสมัยก่อนพเจ้าพระสงค์พระลาหนทั้งหลายเสนอตัวเองอาสาสมัครแ่บพระคุณเจ้าแต่พระจีวรของท่านประสงค์จะย่อมบอกข้าพระเจ้าจะย่อมให้ ถ้าผ้ังขาบอกข้าพเจ้าจะปะให้ถ้ากติมันรั่ว ม, มันชุดโมบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชุดซ่อมแซมให้พระสงฆ์บางรูปเสนองานการของสงฆ์บางรูปเสนอเป็นนักกุเทศแจ ก, กอาหารบางรูปเสนอมักกุเทศแจ ก, กเสนาชนะบางรูปเสนอมักกุเทศ รักษาขังแกกสิ่งของเจ้าที่การขังเจ้าที่การเฉยนาชนะเจ้าอธิการนาหารเจ้าอธิการกีโวนมีเหมือนกันสมัยก่อนเสื่อสลับพวกเราต้องต้องใจคงค่วงอย่าเห็นแก่ตัวที่อยู่ที่นี่ต้องช่วยกันอะไรอันหนึ่งแต่หลงตาในช่วยไม่ได้แล้ว อย่างดีก็ลดน้มตนไม่ให้แล้ไหนปลูกไปก็ตามไปลดห็นท่ามันเหี่ยวมันแห้งแต่ตัวเองไม่ได้ปลูกแล้วมีแต่เพื่อนปลูกไปก็ไปลดให้อัไกนี้ก็าทำไดอยู่มีความสุขบางวันไปลดทางนี้บางวันไปรดทางนี้หวานแม่สุกันยาวหลงพ่อมาเห็นอกเดินเห็นกุง้งโอ้ บอกเจ้าเราไปเดินรถต้นไม้ทาง น, นี้เลยวันนี้จะไปทาง น, นี้อ่าเอลังก็มีด้วยประการฉะ น, นี้